แต่นี้การศึกษากลับทาท่าจะพลอยเละเลื่อนไหลลงไปตามและซ้ำเติมกระแสที่โสมสามนั้นด้วย